กว้างขวางดังแผ่นดินมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนามีปัญญาราเริง ม, มีปัญญาเร็ว ม, มีปัญญาทำลายกิเลสย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมานั้นก็ย่อมเป็นผู้นอบนอไปในทิศนั้นนั่นแลลวกายของอาตมาผู้แก่แล้วมีเรี่ยวแรงทุรพลไม่ได้ไปในสำนักของอไม่ได้ไปในสำนักของพระพุทธเจ้าประทับนั้นนั่นแหลแต่อาตมาย่อมเป็น ย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึงดาริถึงท่านพราหมณ์ใจของอาตมานั่นแหละประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับอยู่นั้นนี่นะคือกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วกายเนี่ยแกแล้วนะแต่ว่ากายเนี่ยไม่สามารถอยู่ใกล้ได้แต่ใจเนี่ยก็น้อมไปหาพระพุทธเจ้าเพระพระองค์ประทับอยู่ที่ใดข้าพเจ้าก็มีใจน้อมละลึกไปในทิศ น, น, นั้นนั่นแหละ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 ประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับคือว่าใจของอาตมาภาพประกอบประกอบดีแล้วด้วยทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะฉะนั้นท่านพราหมณ์ใจของอาตมานี่แลประกอบด้วยแล้วที่สาภาคที่พระองค์ประทับอยู่สรุปว่ากายของอาตมาแก่แล้วมีเรีย่ยวแรงทุรพลย่อมไปไม่ได้ในสำนักของพระพุทธเจ้าที่ประทับนั่นแหละแต่อตาตมาย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึงท่านพราหมณ์ใจของอาตมานี่แหละ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 หิดด้านหิดเปื่อยคันลำบากโรคคุทธราชลักกปิดเนี่ยนะโรคดีโร ค, โรคเบาหวานที่สดวงต่อมบาลทโรคหรืออาภาษที่เกิดจากดีเสมหะลมเนี่ยนะอากาศที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ประชุมกันหรืออาภาษที่เกิดจากอุตุแปรไปการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอความเพียนเกินกาลังอาภาษที่เกิดจากพ้นของกรรม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 สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าพระวัคร리 พ, พ, พระพัทราวุธะพระอารวิโธตมะเป็นผู้มีศรัทธาที่มดุดคือมีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดแม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนปิงคียะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุพันธระปิงคียะท่านก็แนงเหมือนกันนะ ก็บอกว่าข้าพระองค์นี้ได้ฟังพระดํารัสของพระมุนีแล้วย่อมเลื่อมสายอย่างยิ่งพระสัมพุทธเจ้ามีเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วไม่มีหลักต่อเป็นผู้มีปฏิพันธ์ข้าพระองค์นี้ย่อมเลื่อมสายอย่างยิ่งคือนะย่อมเลื่อมสายคือศรัทธาน้อมใจเชื่อในอริยสัจดังที่พระองค์แสดงทั้งหมดเนี่ยนะเพราะได้ฟังคําของพระองค์ผู้เป็นมุนีฟังสดับศึกษาทรงจําเข้าไปกําหนดซึ่งพระดํารัส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 ถ้ากล่าวไปในบุคคลผู้มีปฏิพานก็มีปฏิพานด้วยเหตุสามอย่างนะมีปฏิพานเพราะปริยัตมีปฏิพานเพราะสอบถามมีปฏิพานเพราะอธิคมส่วนผู้มีปฏิพานเพราะปริยัตก็คือผู้เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกนะที่ประกอบไปด้วยสุตตะคยะวยากรณาคาถาอุทานอิติพุตตะชาตะกะอภูตธรรมเวทละผันบุคคลผู้เล่าเรียนก็จะทําให้มีปฏิพานเรียกว่ามีปฏิพานเพราะอาศัยปริยัต ส่วนบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชาก็คือผู้ที่สอบถามในอัดในมักในลักษณะในเหตุในฐานะอาถนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สอบถามดังกล่าวนี้ก็จะทำให้มีปฏิพานย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยปริปุชาส่วนผู้มีปฏิพานเพราะอาธิคมก็คือผู้ที่บรรลุสติปัะญานสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรีพละพูดชงอริยมรักสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสียิญญาหก เพ ะ, ะั้บุคคล น, นั้นรู้อัดรู้ทำรู้นิรุต น, นะเมื่อรู้อัดรู้ทำรู้เมื่อรู้อัดอัดก็จแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทำทำก็จำแจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตก็จแจ่มแจ้งยานในฐานะทั้งสามเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงไปถึงพร้อมมาถึงมาถึงพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปฏิสัมพิทานี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีปฏิภาณบุคคลใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุชามไม่มีอธิคมเนี่ยนะ ปฏิพานของบุคคลเหล่านั้นจะมีได้อย่างไร